สวัสดีครับทุกท่านผมนายกรคนชอบเล่าวันนี้กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานเสือสมิงอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องที่ว่านี้เป็นเรื่องจริงที่คุณยายของคุณเอ็มสมาชิกในเว็บ b ีทอลเป็นคนแชร์ให้อ่านกันและผมก็ได้นํามาเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกต่อหนึ่งครับยายของคุณเอ็มเล่าให้คุณเอ็มผู้แชร์ฟังว่าผููท่านก็เคยเผชิญหน้ากับเสือตัวเป็นๆมาแล้ว เรื่องราจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้นะครับโดยสมมุติว่าตัวผมเป็นคุณเอ็มแล้วกันเข้าเรื่องกันเลยตั้งแต่คุณยายผมสาวๆเมื่อหลายปีก่อนสมัยนั้นมีตะป่ารกลกลางค่ากลางคืนผู้ใหญ่จะไม่ให้ออกไปไหนพอเย็นปุ๊บก็จะปิดบ้านเข้านอนกันตั้งแต่แตหัวค่าเพราะเมื่อก่อนมันอันตรายมากไม่เหมือนสมัยนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือปู่องยายผมชื่อเม่น เมียของแกชื่อใยใบแกมีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์ขายบ้างแลกกับข้าวสารบ้างพอรุ่งเช้าของทุกวันก็จะเก็บหอ่อเก็บพายเตรียมกับข้าวเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางเข้าป่ากว่าจะกลับมาก็ตอนเย็นซึ่งวันที่เกิดเรื่องขึ้นนั้นแกก็ทํากิจกรรมเหมือนทุกๆวันซึ่งทุกๆวันพรานเม่นก็จะออกจากบ้านเพียงคนเดียวแต่วันนี้แปลกใยใบเมียแกเดินไปส่งแกที่ชายป่าทางเข้าป่าจะมีลำธารสายเล็กๆ ซึ่งมีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ทาน์เบนก็แปลกใจนิดๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเมียเดินมาส่งก็ดีพอถึงลำธารแกก็รีบเดินเข้าป่าแล้วหันมาบอกกับยายใบยว่ารีบเดินทางกลับบ้านได้แล้วเถานี้เป็นอันตรายยายใบยก็บอกว่าได้ได้เดี๋ยวก็กลับแล้วตอนเดินทางกลับก็ว่าจะแวะหาผักหาย่าข้างทางก่อนพอยายใบยพูดจบทาน์เบนก็เดินเข้าป่าเพื่อจะไปหาสัตว์อย่างที่เคยทําทุกวัน ในขณะที่วันนั้นกำลังล่าสัตว์อยู่ในใจพานเม่นก็รู้สึกเหมือนเป็นพวงใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจหายเป็นห่วงอะไรอยู่หนึง่งๆอยากกลับแต่ บ, บ้านและวันนี้สัตว์ก็ล่าไม่ได้เลยแกไม่มีอารมณ์จะล่าสัตว์ต่อไปแล้วก็เลยกลับแต่หัววันเป็นเวลายังไม่ทันจะเย็นมากนักสัพักแกก็เดินมาถึงชายป่าทางออกเมื่อพอมาถึงลาธารแกก็แปลกใจที่ยังเห็นยายใบนั่งหันหลัง เหมือกำลังนั่งเล่นน้ำอยู่บนก้อนหินก้อนนั้นดิ่มฟังแกก็นึกในใจว่าทำไมป่านนี้ยังไม่กลับอีกมันอันตรายและนี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วด้วยทำไมยังไม่กลับบ้านอีกแกก็เดินไปหายายใบกะจะด่าซะหน่อยพอแกเดินไปถึงแกก็เอามือจับที่แขนของยายใบยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรยายใบหันหน้ามาแต่สิ่งที่หันหน้ามาเริ่มเปลี่ยนจากหน้าคุณกลายเป็นหน้าที่ยับยุย่ยี่แล้วก็กระโจนใส่แก แกตกใจสุดขีดคว้าเอาปืนได้ก็ยิงไปหนึ่งนัดจากนั้นมันก็กระโจนออกไปทางเข้าป่าเป็นเงาเงาและก็หายไปในป่าส่วนพันเบ้นก็ยังตกใจไม่หายพยายามวยรวบรวมสติสิ่งที่ตาไกลเห็นเมื่อกี้นี้มันคืออะไรกันแต่สิ่งที่ทำให้แกช็อกยิ่งกว่าเมื่อแกเหลือไปเห็นร่างของยายใบยข้างหลังก้อนหินใหญ่ที่แกเห็นว่ายใบยนั่งอยู่ก่อนหน้าร่างของยยใบยถูกฉีกออกเป็นครึ่ง ส่วนหนึ่งหายไปเมันโดนสัตว์ตัวใหญ่ฉีกแล้วก็กินไปครึ่งตัวแกตกใจจนแทบช็อกยืนนิ่งความรู้สึกแน่นจุกอกขับแน้นมันประดังเข้ามาในตัวแกจนสักพักแกก็รวบรวมสติเดินเข้าไปหาไปอุ้มร่างของเมียแกแกไม่มีความรู้สึกจะร้องไห้น้ำตา ม, มันก็ไม่ไหลแผลที่แขนที่โดนกระโจนใส่แกก็ยังรู้สึกเจ็บแกบอกเท่าที่แกจาได้คือพอแกได้อุ้มเยใบยเสร็จ แกก็เดินไปเรื่อยๆรู้สึกตัวอีกทีก็เริ่มมืดแล้วชาวบ้านก็เริ่มแห่กันมาเมื่อเห็นว่าแกอุ้มอะไรมาก็เข้ามาถามกันเฮ้ย hey, เกิดอะไรขึ้นยาใบไปโดนอะไรมาตอนนี้แกมึนงงไปหมดแกไม่รู้จะทำยังไงแกได้แต่นึกในใจว่าจะต้องตามไปฆ่ามันไปฆ่ามันไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรก็ตามที่ฆ่าเมียแกเมื่อผ่านแม่นเริ่มตั้งสติได้แล้วก็เล่าสิ่งที่เห็นให้ชาวบ้านในหมู่บ้านฟังซึ่งสรุปกันได้ว่า เป็นเสือสมิงแน่นอนตอนนี้ตัวแกเองโกรธสุดๆอยากตามไปฆ่าเสือสมิงตัวนี้ให้ได้แกเข้าไปบ้านเข้าไปเอาอาวุธล่าสัตว์ทุกอย่างที่เป็นอาวุธเพื่อที่คืนนี้แกจะไปล่าสมิงพอแกเตรียมตัวเสร็จแกก็ไปชวนเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนพรานในหมู่บ้านเดียวกันเพื่อไปช่วยกันล่าเสือสมิงรวบรวมกันได้แล้วประมาณ5้ถึงหคนส่วนพวกผู้หญิงในหมู่บ้านก็ห้ามกันใหญ่บอกว่ามันดึกแล้วอย่าออกไปกันเลยมันอันตราย ค่อยไปกันตอนกลางวันจะดีกว่ากลางคืนมันมองไม่เห็นแต่พรานเบนก็บอกว่าต้องตามไปฆ่ามันตอนนี้มันยังหนีไปไม่ไกลยังตามรอยมันได้อยู่พรุ่งนี้ไม่ทันแน่มันคงหนีไปไกลแล้วพอเก็บข้าวของกันเสร็จก็ออกเดินทางจุดตะเกียงแก๊สหรือที่ภาคกลางเรียกว่าตะเกียงสองกบที่เอาฐานหินเป็นก้อนใส่น้ําใส่ในถังเหล็กเล็ ก, ลกๆและจุดไฟที่หัวเพื่อส่งแสงสว่างเมื่อจุดตะเกียงเสร็จ ก็ออกเดินทางมุ่งตรงไปยังลำธารทางเข้าป่าพอมาถึงลำธารก็เดินไปสำรวจร่องรอยของเสือตัวนั้นปรากฏว่าเห็นรอยเท้าเดินเข้าไปทางป่าลึกทุกคนก็เดินตามรอยกันไปยิ่งเดินก็ยิ่งลึกเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆป่าก็เงียบสนิทมากไม่มีเสียงร้องของสัตว์ใดเลยพระที่อาวุโสกว่าคนอื่นก็พูดขึ้นมาว่าถ้าไม่คยดีแล้วมันงียบผิดปกติแล้วก็เอามือล้วงย่าม หยิบลูกกระสุนเม็ดสีดำดำให้พรานทุกคนคนละกำมือบอกให้ใช้ลูกกระสุนปืนนี้ยิงถ้าหากเกิดเจอกับเสือตัวนั้นเข้าทุกคนก็รับคำใส่กระสุนเตรียมพร้อมตามรอกันไปสักพักเริ่มเห็นอะไรบางอย่างทุกคนก็ยืนหยุดนิ่งมองดูกันอย่างแน่นิ่งเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นคือร่างของหญิงคนหนึ่งนั่นคือร่างของยายใบนั่นเองแกหันมายิ้มแล้วก็เรียกชื่อพรานเม่นซ้ำๆไปส้ำมา ส่วพรานที่อาวุโสกว่าคนอื่นก็พูดว่ายิงเลยยิงเลยมันไม่ใช่คนทุกคนก็ยิงตามกันปังปังปังปังจนลั่นป่าทั้งป่าได้ยินแต่เสียงปืนส่วนร่างของหญิงสาวก็กลายเป็นร่างเสือตัวใหญ่วิ่งกระโจนเข้าไปหลังต้นไม้พานเม่นเห็นดังนั้นจึงวิ่งตามไปพร้อมกับยิงไล่ไปด้วยทานอาวุโสก็ตะโกนบอกว่าอย่าตามไปคนเดียวมันมาเพื่อล่อให้พวกเราแตกกลุ่มกันตอนนี้พานเม่นไม่ฟังใครแล้ว เดี ใ, ใจก็คิดอย่างเดียวต้องฆ่ามันให้ได้ต้องฆ่ามันให้ได้พานุกโศก็ให้พานอีกคนหนึ่งวิ่งตามไปย้ำส่งท้ายว่าห้ามอยู่คนเดียวต้องเกาะกลุ่มกันไว้ต้องเกาะกลุ่มกันไว้ไล่ตามมาแป๊บเดียวเสือตัวนั้นก็หายไปหันไปมองเพื่อนที่ตามมาก็หายไปด้วยพานเม่นเดินไปมาแถวนั้นสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงปืนทางด้านหลังจึงตกใจรีบวิ่งตามเสียงปืนนั้นไปดูเสียงปืนเริ่มเงียบไป ฐานเบนก็วิ่งมาถึงตรงจุดนั้นเห็นเพื่อนคนหนึ่งกําลังนอนจมกองเลือดอยู่ตามลําตัวมีแต่แผลรอยโดนข่วนลึกเลือดไหลท่วมเต็มตัวปากก็ร้องว่าเจ็บเจ็บเจ็บแล้วก็ชี้ไปทางซ้ายมือบอกว่าเสือมันลากเพื่อนอีกคนไปด้วยฐานเบนก็วิ่งตามไปบอกให้เพื่อนรอยอยู่ตรงนี้ฐานเบนเดินตามรอยเลือดไปรอยเลือดไปอยู่อยู่ตรงต้นไม้ต้นใหญ่มากๆต้นหนึ่งพันก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงของเพื่อนเบาๆร้องให้ช่วยเหลือ ผานเบ้นก็เดินไปที่หลังต้นไม้เห็นเสือตัวนั้นกําลังฉีกร่างของเพื่อนอยู่ไม่รอช้าคว้าปืนยิงใส่เสือตัวนั้นเต็มเต็มและสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเหมือนกําลังเจ็บปวดทรมานอยู่เสียงนั้นดังไปทั่วทั้งป่าแกบอกกับยายผมว่าเป็นเสียงที่หยุยหวนจนขนพองไปทั้งตัวจริงๆตอนนี้สิ่งที่อยู่ต่อหน้าผานเม่นนั้นไม่ใช่เสือแต่ดันกลายร่างเป็นเด็กผู้หญิงนอนชักดิน้นชักงอแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวด แล้วก็ค่อยๆคลานมาตามพื้นดินพร้อมกับพูดว่าอย่าทําหนูเลยอย่าทําหนูเลยปล่อยหนูไปเถอะหนูเจ็บอย่าทําหนูเลยพูดหลายรอบซ้ําไปซ้ํามาคลานเม่นไม่รอช้ารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่คนยัดกระสุนปืนอีกรอบเตรียมเล็งปืนที่จะยิงอีกครั้งคราวนี้เด็กคนนั้นหรือสื่อตัวนั้นเห็นพานแม่นเล็งปืนจากเสียงเด็กกลายเป็นเสียงของผู้หญิงแก่ๆพูดเสียงห ย, ยาบๆมึงอยากตายนะักใช่ไหม กูจะเอามึงไปเหมือนเมียของมึงแล้วก็กระโจนใส่พันเม้นขอเห็นคนกลายเป็นร่างเสือกระโจนใส่ก็ยิงสวนทันทีด้วยความตกใจกระสุนพลาดเป้าไปโดนขาหน้าของเสือตัว น, นั้นแทนแย่ละทานเม้นคิดในใจใส่กระสุนไม่ทันแน่คิดจบหันไปมองอีกทีมันก็พุ่งตรงมาถึงหน้าแล้วพาเม้นเอามือป้องหน้าจึงโดนกัดเสียเต็มเตมแขนโดนฉีกสวนแขนอีกข้างโดนค่วนจนแหกหมดแล้วก็ล้มลง ตอนนั้นในใจคิดว่าตายแน่นอนตายแน่นอนไม่รอดแน่ๆพอล้มลงเสือตัว น, นั้นก็ตรงเข้ากัดฉีกใบหน้าจนตาข้างหนึ่งหลุดไปเลยเลือดท่วมตัวตามัวคิดว่าไม่รอดแน่แล้วคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ด้วยความไม่อยากตายสติและแรงฮึดสุดท้ายจึงได้คว้ามีดที่เอวที่ส่วนมากพรานจะมีมีดหมอพกติดตัวกันทุกคนคว้ามีดเล่มนั้นดึงออกมาและก็จ้วงแทงมีดไปที่คอของเสือนั้นทันทีตอนนั้นแกบอกว่าไม่รู้จริงๆ ว่าเอาแรงมาจากไหนแกแทงมีดซ้ำๆจนเสือตัวนั้นนิ่งไปสุดท้ายเสือตัวนั้นก็ตายลงแล้วแกก็ลุกขึ้นไปคว้าตัวเพื่อนจากนั้นแกก็พากันเดินจนมาเจอกับกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันพร้อมเลือดเต็มตัวกลุ่มเพื่อนที่เห็นพากันยืนอึ้งสักพักหนึ่งแล้วก็พากันออกมาจากป่ารุ่งเช้าชาวบ้านก็พากันเข้าไปในป่าเพื่อไปดูร่างของเสือตัวใหญ่ที่นอนตายอยู่แต่ก็มีสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านทุกคนถึงกับช็อกและตกใจสุดๆ คือร่างเสือที่นอนตายอยู่บัดนี้กลายเป็นร่างของหญิงแก่คนหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใครมาจากไหนซึ่งตอนกลางคืนนั้นพวกผ่านที่ไปด้วยกันยืนยันเป็นเสียงแข็งว่าเห็นเป็นเสือนอนตายอยู่จากการที่คนแ ก, แก่และพวกผู้ใหญ่พูดกันน่าจะเป็นพวกเล่นของจนของเข้าตัวหรืออาจจะเป็นร่างของผู้หญิงที่เคยถูกเสือตัวนั้นฆ่าตายและกลับประสิงในร่างของเสือนั้นอยู่สรุปจากเหตุการณ์นั้นปู่ของยายผม ก็เสียแขนซ้ายกับตาซ้ายไปข้างหนึ่งและเสียภรรยาเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งคนเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณคุณเอ็มแห่งเว็บบีทอสผู้แบ่งปันเรื่องราวสนุกให้ผมได้นำมาเล่าต่อให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ